สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกครั้งที่สิบสามเรื่องสงครามตอนที่สองครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดถึงประธานนักศึกษาชั้นปีที่เขาได้ปฏิเสธงานเลี้ยงของขวัญ ที่มีความฟุ่มเฟือยหรูหรามากจนเกินไปและในที่สุดนะครับเขาก็ลาออกในจดหมายที่เขาลาออกนั้นเขาเขียนว่าเนื่องจากข้าพเจ้าตระหนักถึงความต้องการและโอกาสที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไปในทางที่จะเทศปะเกียรติพระเยซูและช่วยเหลือเพื่อนบ้านข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะยอมให้เอาเงินของชั้นปีไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นท่านก็จะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงสละหมดทุกสิ่งด้วยความรักและการอธิษฐานด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากการเป็นประธานของชั้นปีพี่น้องครับชีวิตของประธานนักศึกษาผู้นี้เป็นชีวิตที่เห็น แก่ประโยชน์ของแผ่นดินสวรรค์เห็นแก่ประโยชน์ของการช่วยเหลือดวงวิญญาณให้รอดเห็นแก่ประโยชน์ของการตอบสนองต่อความต้องการจําเป็นของคนมากกว่าของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากครับในสังคมทุกวันนี้เพราะเนื่องจากว่าทุกคนต่างก็สแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น ในขณะที่เกิดสงครามสงครามนั้นจะต้องมีการยอมทนทุกข์สมัยนี้ผู้ชายไทยอายุ21ปีหรือชายหนุ่มในประเทศต่างๆก็ต้องยอมเกณฑ์ทหารยอมสละชีวิตเพื่อประเทศชาติคริสเตียนก็เหมือนกันครับจะต้องยอมสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเยซู แก่การประกาศพระกิติคุณของพระองค์มากมากแค่ไหนครับมากถึงขนาดที่ว่าจะต้องไม่แพ้ฝ่ายโลกเลยทีเดียวพี่น้องครับมีคนกล่าวอย่างนี้นะครับว่าความเชื่อที่ไม่ต้องสละอะไรเลยก็ไร้ค่าความเชื่อที่ไม่ต้องสละอะไรเลยก็ไร้ค่าข้าพระเยซูมีค่าสูงเพียงพอกับเราทุกคนคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะสละ นี่นะครับหมายความว่าพระเยซูมีคุณค่าพอครับอัครสาวกเปาโลหรืออัครทูตเปาโลนั้นก็พูดถึงความเป็นอัครทูตของท่านและท่านได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูคริสต์ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่สิบเอ็ดข้อยี่ิบสาถึงข้อยี่สิบแปดเราจะเห็นว่าอัครทูตเปาโลนั้นทํางานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ สมดังที่พระเยซูได้ทรงบอกว่าท่านทั้งหลายจะทำการที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเราเราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้ทรงถูกข่มเหงถูกเคียนหนึ่งแพ็กเกจก็คือสามสิบเก้าทีแต่อักระเปาโลนั้นถูกเคี่ยนถึงห้าแพ็กเกจด้วยกันนะครับแม้ว่าจะไม่พร้อมพร้อมกันเพราะพร้อมๆกันนั้นคงจะไม่ไหวตายแน่ แต่ภาพวกยูดาห์นั้นเคี่ยนกระทุบเปาโลถึงห้าแพ็กเกจห้ารอบครับรอบละสามสิบเก้าทีไปท่านด้วยตะบองสามครั้งเอาหินขว้างกะว่าจะให้ตายโดนหินขว้างครั้งหนึ่งครับแต่ไม่ตายท่านเองเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งลอยคออยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งท่านต้องเผชิญภัยในแม่น้ำ ขณะเดินทางเผชิญโจรภัยเผชิญโจรเผชิญภัยจากชนชาติของตัวเองมีหน้ำซ้ำเผชิญภัยกับพี่น้องทรยศท่านต้องทำงานเหนือและยากลำบากอดหลักอดนอนหิ ว, อ ด, วอดข้าวอดข้าวทนหนาวและเปือยกายและยังมีหลายละอย่างที่เพชเชอร์หรือว่าบีบ ทำให้อัคารทูตนั้นท่านกังวลกระวนกระวายกระวนกระวายเรื่องอะไรครับกระวนกระวายถึงคริสจักรทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้มีส่วนร่วมรับใช้อยู่งานของคริสจักรนั้นและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสจักรต่างๆที่ท่านได้ไปก่อตั้งมามีส่วนร่วมในการก่อตั้งและรับใช้ก็มีเหตุต่างๆที่ทาให้ท่านเองนั้นมีความ ก็วนก็วายและกังวลพี่น้องครับในที่สุดนั้นท่านเขียนอย่างนี้นะครับว่าจงทนการยากลําบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์จงทนการยากลําบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ท่านหมายความว่าทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์นั้นก็มีอยู่มากครับการที่เราจะร่วมกันทนความทุกข์ยากลําบากด้วยกันนะครับทนความทุกข์ยากลาบากด้วยกัน กับทหารที่ดีของพระเยซูแสดงว่ามีหลายคนนะครับเป็นกองทัพครับที่ยอมทนทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสงครามต้องมีการทนทุกข์ครับประการต่อไปครับสงครามนั้นต้องมีการเชื่อฟังฐานที่แท้จริงจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาครับฟังนายที่อยู่เหนือกว่าโดยที่ไม่ต้องไต่ถาม โดยไม่ลังเลใจพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าระเบียบวินัยของทหารในสงครามจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเราไม่ควรคิดว่าพระเยซูจะทรงกําหนดมาตรฐานต่ํากว่านี้ครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพรงทรงเป็นพระผู้ไถ่และพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นผู้บัญชาการ ดังนั้นเองพระองค์จึงมีสิทธิทุกประการครับที่จะให้ผู้ที่ติดตามพระองค์สาวกของพระองค์นั้นเข้าสู่สงครามด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระองค์อย่างสิ้นเชิงเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์อย่างสิ้นเชิงถามว่าพระมหาบัญชาของพระองค์คืออะไรครับคือการก่อตั้งคริสตจักรครับคือการประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกครับเป็นสาวกของพระเยซูไม่ใช่เป็นสาวกของเรา ประกาศนําคนมาถึงพระเยซูไม่ใช่นําคนมาถึงเราเลี้ยงดูเขาให้เติบโตขึ้นให้เชื่อฟังคําสั่งของพระเยซูไม่ใช่ฟังคําสั่งของเราพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นที่สองในวันนี้คือสงครามจะต้องการการเชื่อฟังครับประเด็นที่สามก็คือสงครามนั้นเราต้องเก่งในการใช้อาวุธอาวุธของกัสเตียนนั้น แท้จริงก็มีอยู่สองอย่างหลักๆนะครับก็คือคําอธิษฐานด้วยความเชื่อและพระโอษะของพระเจ้าความเชื่อในการอธิษฐานความเชื่อในพระโอษะของพระเจ้านั้นสําคัญและคริสเตียนซึ่งเป็นสาวกพระเยซูนั้นจะต้องฝึกฝนในสองเรื่องนี้อย่างสม่ําเสมอฝึกฝนในการที่จะมีความเชื่อในการอธิษฐาน ฝึกฝนที่จะมีความเชื่อฟังในการอ่านพระชนะของพระเจ้าการอธิษฐานนั้นในพรมพะมุทีจะว่าอธิษฐานด้วยความภาคเพียรครับการอานด้วยความภาคเพียรมีความหมายอย่างไรก็คือมีความวิริยะอุตสาหะอดทนในการอธิษฐานรอคอยคําตอบของการอธิษฐานแสวงหาน้ํามัสไทยของพระเจ้าในการอธิษฐานขอคําตอบในการอธิษฐานและพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อพระองค์ตอบคําอธิษฐาน นี่คือการอธิษฐานด้วยความภาคเพียรเป็นทางเดียวที่จะโค่นป้อมปราการของมารซาตานได้และป้อมปราการนะครับของมารซาตานนี้หลายครั้งทีเดียวครับมันโค่นยากแต่เรามีเคล็ดลับในการโค่นก็คือเราจะต้องอธิษฐานให้มากขึ้นอธิษฐานด้วยความภาคเพียรครับและในขณะเดีวยวกันครับคริสเตียนจะต้องเชี่ยวชาญในการใช้ดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือพระเจ้ของพระเจ้า เราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระคมภีร์ครับเชี่ยวชาญในเรื่องน้ำพรทัยของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับข้าศึกนั้นหรือมารซาตานนั้นจะใช้ลูกไม้ทุกอย่างก้อละเม็ดเล่อุบายทุกอย่างที่จะล่อให้เราทั้งหลายทิ้งดาบมันทําให้คริสเตียนสงสัยในเรื่องการดนใจของพระคัมภีร์ พระคัมภีร์จะเป็นพระคําของพระเจ้าจริงๆหรือพระคัมภีร์ทั้งหมดทุกตอนทุกข้อเราจะต้องเชื่อฟังหรือพี่น้องครับมันพยายามชี้ให้ดูสิ่งที่ขัดแย้งกันในพระคัมภีร์แท้จริงแล้วสิ่งขัดแย้งในพระคัมภีร์นั้นมีคําตอบทุกคําตอบครับเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ความขัดแย้งนั้นจะผ่านมาสองสามพันปีโดยไม่มีคําตอบ มันจะยกเอาข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์บ้างทางวิวัฒนาการบ้างทางหลักการปรัชญาความคิดฝ่ายโลกบ้างหรือประเพณีวัฒนธรรมบ้างแต่พี่น้องครับพวกเราซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูเป็นทหารของพระเยซูจะต้องยืนหยัดใช้อาวุธของเราตลอดเวลาครับอาวุธแรกคือการอธิษฐานด้วยความภาคเพียร อาวุธที่สองก็คือทักษะในความเขี่ยวชาญเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หกได้พูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าในสายตาของชาวโลกอาจจะเห็นว่าอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ของของคริสเตียนที่มาจากพระเจ้านั้นหน้าหัวร้อยเยะ ผู้นำทางทหารสมัยนี้คงจะหัวแล้วเยอะแผนการการตีเมืองเยริโคของโยชัวใช่ไหมครับเพราะว่ามีการร้องเพลงน้ำมศ ก, การมีการเดินครบรอบปุ๊บถึงเวลากำแพงเมืองเยริโคก็ถล่มลงมาหรือแม้กระทั่งการยิงสลิงของดาวิดคนเลี้ยงแกะซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์ดาวิด ก้อนหินลูกเล็กๆซึ่งเก็บจากแม่น้ำได้ถูกเหวี่ยงออกจากสลิงของดาวิดไปโดนหน้าผาของโกูไงแอตตายเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะหรือแม้กระทั่งประตักลัวของชัมกาซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยในบทที่สามครับประตักอัวของชัมกาก็สามารถที่จะ ทำลายศัตรูได้พี่น้องขับกองทัพเล็กๆของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้มีชัยชนะมาตลอดทุกยุคทุกสมัยคนของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเข้าข้างกองทัพใหญ่แต่ทรงรักคนอ่อนแอคนยากจนคนที่ถูกโลกนี้ดูแคลนซึ่งเป็นผู้ที่เทิดพระเกียรติพระองค์ พระเจ้าให้คนเหล่านี้มีชัยชนะในสงครามครับที่นั่นครับประเด็นต่อไปก็คือในสงครามนั้นเราจะต้องรู้เรื่องค่าศึกและแผนการลบของค่าศึกสมัยนี้เรียกว่ารู้เขารู้เราครับการชุดลบของคริสเตียนนั้นเราต้องรู้ว่าค่าศึกศักตรูของเราไม่ใช่พี่น้องของเราค่าศึกศัตรูของเราไม่ใช่เป็นผู้เชื่อค่าศึกศัตรูของเรานั้นก็คือ เป็นเทพผู้ครองสักกีเทพสักกีเทพเทพผู้ครองแห่งโมหะความมืดในโลกนี้เรากำลังต่อสู้กับใครครับเรากำลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศซึ่งบันทึกอยู่ในเทวธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบสองครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีการขัดขวางที่ขมขื่นที่สุดนั้นไม่ได้มา จากขี้เมาขโมยหรือโสเภณีแต่มาจากผู้นำทางศาสนาลทัทธิเทียมเทศทั้งหลายผู้นำศาสนาในสมัยพเยเชือนั้นตรึงกันเขนพระองค์ผู้นำศาสนาต่างหากครับเป็นผู้ที่ข่มเหงขึ้นจากในสมัยยุคแรกผู้นำศาสนานะครับเป็นศัตรูตัวร้ายแรงของอคัครทูตเปาโลพี่น้องครับผู้รับใช้พยา ม, มานั้น ดูเหมือนกับเป็นลูกแก่ครับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะไม่พวักพวงในเรื่องอื่นเพราะว่าเราอยู่ในสงครามไม่มีฐานคนใดที่เข้าประจําการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพละเรือนโดยว่าเขามุ่งที่จะทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจพี่น้องครับให้เรารับยุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ในเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบสามถึงสิบสี่ เพื่อเราจะต่อต้านมารซาตาและกลอุบายของมันในวันอันชั่วร้ายได้แต่เมื่อเสร็จแล้วเราจะอยู่อย่างมั่นคงพี่น้องครับยุทธพันธ์ทั้งชุดในเอเฟซัสบทที่หกนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีอะไรป้องกันหลังเลยครับไม่มีอะไรป้องกันหลังหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราเดินหน้าพระเจ้าป้องกัน ในส่วนหน้าของเราในขณะเดียวกันเมื่อเราหยุดเราอาจจะถอยบ้านแต่อย่าหันหลังครับเพราะถ้าหันหลังแล้วเกิดอันตรายแน่นอนแต่เมื่อเราถอยครับอาจจะถอยเก้าบ้างสองเก้าบ้างแต่เราจะต้องหันหน้าเผชิญกับศัตรูครับเพราะว่าจะไม่มีจุดอ่อนไดๆเลยแต่ถ้าเราหันหลังให้กับศัตรูเราอาจจะเพี้ยงพ้ำได้เพราะว่ายุทธภัณฑ์ของพระเจ้านั้น ไม่มีอะไรป้องกันด้านหลังครับแต่ยิ่งกว่านั้นครับพระเจ้าทรงรักเราทําไมเราจะต้องคิดถึงการกลับหลังหันแล้วครับกลับหลังหนีเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่มีผู้ใดเอาชนะเราได้เราจะต้องเป็นคนที่ชนะสงครามในที่สุดและพวกเราพวกเราทั้งกองทัพจะชนะสงครามไปที่สุดอาเมน